ขนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยขุการหลวงอกรมพระอาจารย์นรงวิทย์เพื่อสนสัตธรมิร ท, ท, ทุกท่านเจริญธรรมไม่ชีรแญาติธรรมทุกท่านพระเจ้าในยุคที่ท่านเผยแร่ธรรมใหม่ๆเนาะท่านก็ในขั้นแรกท่านก็โปรดปัญจวคคีก่อนหลังจากนั้นก็มาโปรดพยาศะ พร้อมด้วยสาขายตอนนี้ก็มีพระสงฆ์ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ประมาณหกสิบเนาะหลังนั้นก็ไปปลดกลุ่มพัทวัคคีนะคือกลุ่มมานลบสามสิบในที่พระอาจ า, ารย์ไพศาลเล่าเมื่อตอ น, เ ย, นเย็นเมื่อเย็นวันจันทร์เนาะที่บอกว่าที่มีกลุ่ม กลุ่มชายหนุ่มนะ่ตามหาโสดเพชนี้ที่ขโมยสิ่งของมาแล้วก็มาพบพระเจ้านั่งอยู่ก็ถามว่าเห็นผู้หญิงผ่านอางนี้ไหมพระเจ้าก็ถามว่าจะตามหาผู้หญิงหรือจะตามหาตัวเองเนาะมานพุ่มนี้ก็บอกว่าจะตามหาตัวเองพระเจ้าก็แสดงทำให้ฟัง แล้วหลังนั้นก็บรรลุกทำนะก็ส่งไปเผยแพร่ในที่ต่างๆนะก็ประมาณ90 90รูปแล้วนะที่ไปเผยแพร่ทำพระพุทธเจ้าก็ให้ไปทางละหนึ่งองค์ไปโคละทางทางละหนึ่งองค์เท่านั้นเพราะว่าพระมีน้อยนะพระพุทธเจ้าก็ไปเสด็จไปองค์เดียวเหมือนกันเพื่อที่จะไปเผยแพร่ธรรมที่ นะกรุงราชคฤห์แคว้นมคธของพระเจ้าพิมีสารซึ่งเป็นเนะมืองใหญ่มากเป็นราชธ า, านีใหญ่นะแล้วก็มีนักปร า, าชญ์ราชบัณฑิตเยอะนะมนะีเจ้าสำนักต่างๆเยอะมากนะรัฐทิตต่างๆก็เยอะนะก็คือเป็นเมืองที่สมบูรณ์นะด้วยนะผู้ที่เป็นนะเจ้ารัฐทิตต่างๆนะแล้วก็นะกษัตริย์ก็มีความยิ่งใหญ่ ถ้าหากว่าประดิษฐานพุทธศาสนาครั้งแรกได้ที่เมืองนี้น ะ, ะเมืองใหญ่เลยเนี่ยก็จะทําให้แพผกว้างไกลว่าในสมัยที่พระเจ้ายังยังไม่ได้สําเร็จคือตอนออกบวญใหม่ๆเนี่ยก็ได้ทรงเสด็จผ่านมาทางเมืองนี้ครั้งหนึ่งแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็รู้ก็กนิ ม, มนต์ขอให้มาอยู่ด้วยกันน่าจะแบ่งราชสมบัติครึ่งหนึ่งเลยนะ พระเจ้าก็ไม่รับนะพระเจ้าพระเจ้าพิมสารก็ขอบอกว่าเออเมื่อบรรลุธรรมสําเร็จแล้วก็ให้มาโปรดพระเจ้าพิมิสารด้วยมพระเจ้าก็รับคําเนาะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าท่านก็มีส่วนหนึ่งที่ว่าจะต้องมาโปรดพระเจ้าพิมิสารเพราะว่าเคยรับคํำอาไว้แล้วในสมัยนั้นนะแต่ครนี้การที่จะเสด็จไปองค์เดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าอ่าเป็นความที่แลยวว่าอยากจะ ประชาชนนะ่ก็อาจจะไม่ไม่นับถือเท่าที่ควรนะเพราะว่าเมืองนั้นก็มีเจ้าลิขิตมทดิมากมายเนาะแล้วท่านก็เป็นผู้ใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักนะแต่ว่าการเผยแพร่ทําให้ชาวเมืองที่จะเข้าถึงพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็วนั้นก็คือการที่มีลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยแล้ยิ่งถ้ามีผู้ที่ มีชื่อเสียงมากๆ ม, มาเป็นลูกศิษย์ท่านก็ยิ่งจะทำให้การเผยแผ่ทำเร็วนะเพราะนั้นเป้าหมายท่านต่อไปก็คือการเดินทางไปยังกลุ่มฉดินนะกลุ่มฉดินนะที่มีหัวหน้าคืออูลเวนกัสปะนะซึ่งมีบริวารมากมายนะแล้วก็มีชาวเมืองอรมรตเนี่ยนับถือกันไปจุนนวนมากอยู่แล้วนะถ้าเป็นเจ้าสนักใหญ่นะ คราวนี้ท่านก็ต้องหาทางที่จะเอากลุ่มเนี่ยมาเป็นสารนุสิธิ์ให้ไดนะ้ก็เดินทางเข้าไปพักนะที่สำนักของอูลุเวนกัสปะนะอูลเวนกัสปะนี่บูชาไฟนะบูชาไฟแล้วก็คิดว่าเป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์เข้าถึงพระนิพพานเป็นพระอรหันตะ์ก็มีน้องอีกสองคนคือนาทีกัสปะนะนะแล้วก็ขยากัสปะนะ อูรเวกกร500นะ ก, ก็มีลูกศิษย์5 0 0นาทีกสปะรก็มีลูกศิษย์สามอยขยากัตริก็มีลูกศิษย์ส0ก็ทั้งหมดรวมเป็นพันกับ3มรูปเนาะพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจที่จะไปโปรดกลุ่มนี้นั่นแหละเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากเนาะก็เดินทางไปแล้วก็ขอพักนะขอพักอูรเวนก็ไม่อยากให้พักนะนะไม่อยากให้พัก บอกว่าไม่สะดวกนะไม่อยากให้พักนะพระเจ้าก็ขอขอพักที่โรงไฟก็แล้วกันนะบริ เ, เวณก็ไม่อยากจะรับอยู่แล้วก็ปฏิเสธบอกว่าในโรงไฟก็มีพญานาคที่มีฤทธิ์มากนะฤทธิ์มากเนี่ยสามารถที่ฆ่าพระเจ้าได้ตลอดเวลานะพระเจ้าบอกไม่เป็นไรขอพักนะนะครั้งนี้ก็เข้าไปพักนะกลางคืนนี่พญานาคก็โกรธ ออกมาแล้วก็พ้นไฟพ่นไฟใส่พระเจ้าพระเจ้าก็ไม่เป็นไรนะท่านก็สดายทิลิศนะจนสามารถที่จะปราบพญานาคเข้ามาอยู่ในบาทได้แต่กลางคืนนี่ก็แสงสว่างจากไฟที่เหมันกับพ้นออกมาจากพญานาคเนี่ยสว่างมากพวกชนินก็คิดว่าพระเจ้านี้ต้องตายแน่นอนนะ นะก็เลยสงสารว่าดูก็ไม่น่าจะตายเร็วนะเพราะว่ามีความสง่างามแล้วก็ยังหนุ่มอยู่นะแต่เข้าใจว่าตายแล้วพนอะตอนเช้านี่มามาเฝ้าดูที่นาลรงไฟก็เห็นพระพุทธเจ้าเดินออกมาอย่างเป็นปกตินะกลุ่มญาดินก็มีมีความทึ่งนะมีความพิศวงทำไมถึงไม่ตายนะพระพุทธเจ้าก็เปิดฝาบาทให้ดูก็บไปรนาก็อยู่ในบาทนั่นเองเนาะ ก็อันนี้ก็เป็นการปากรายศของพระยิ้มของกลุ่มชาดินในเบื้องแรกนะหลังนั้นพระเจ้าก็ทรงต้องแสดงอิทธิฤทธิต่างๆเพื่อให้ให้กลุ่มชาดินเห็นมากมายนะจนในที่สุดนะกอะ็อุลเวงกับสะปะที่เมื่อก่อนคิดว่าตัวเองเป็นพาาระรหันนะพระเจ้าบอกท่านไม่ใช่เป็นพระรหันหลอกตอนนี้อุลเวงเริ่มที่จ ะ, ะคล้ายๆเริ่มยอมรับพระเจ้าแล้วนะว่าพระพุทธเจ้านีอ ท่านมีความสามารถพิเศษคือยอมรับอยู่ในตัวแล้วนะเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านไม่ได้เป็นพระรหันต์นะหนทางที่ท่านาปฏิบัติเช่นนี้ก็ไม่ใช่หนทางแห่งพระรหันต์แตอย่างใดนะอุเวนก็เลยน้อมรับนะก็เลยมากราบมนาะนะก็ขอมอบตัวเป็นสิทธิ์กับพูะเจ้าเลยนะอันนี้แสดงถึงผู้ที่เป็นเจ้าสานักในสมัยนั้นนะก็อันนี้ถือว่าเป็นความถูกต้องนะ เพราะว่ายอมรับในสิ่งถธอตัวเองคิดว่าถูกต้องไปบัตรมานานมากจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายขนาดนี้นะทั้งลูกศิษย์ที่เป็นนักบวชและลูกศิษย์ที่เป็นฆราวาสก็มีมากมายแต่ก็ยอมนะยอมยอมตัวเองเลยามาน้อมมาเป็นศิษย์พระเจ้าอันนี้ถือว่าท่านเนี่ยยอดเยี่ยมนะ ประวัตตรงนี้ถ้าไปสืบดูตามที่พระอารคะสาวกคือพระโมคคณาพระสารีบุตรเนตอนนั้นท่ก็มีอาจารย์อยู่คือสนชัยปริภาชกตอนนั้นพระสารีบุตรก็ชวนสนชัยซึ่งเป็นอาจารย์ออกไปเฝ้าพระเจ้าสนชัยก็มีลูกศิษย์ลูกหามากแต่คิดว่าคงยังไม่ถึงกับมีมากเท่าอุลเวนเหรอกสนชัยก็ ไม่ยอมมานะก็ยังถามเลยว่าในโลกนี้คนโง่ามากหรือคนฉลาดมากภาษาเลยบุญกบ็บาคนโง่ามากกว่านะนะเพรา ะ, ะนั้นสนชัยบอกว่าคนโง่ก็อยู่กับเราก็แล้วกันนะคนที่ฉลาดก็ไปหาพระเจ้านะนี้แสดงถึงมานะท่านที่ไม่ยอมรับนะยังมีมานะที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอาจารย์อยู่นะนนี้ก็เป็นการปิดโอกาสของท่านเอง ถ้ตอนนั้นท่านมาเข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมกับภาษาลีบุตรก็คิดว่าท่านมีโอกาสเป็นพระหรหันต์และคงจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงต่อมาองค์หนึ่งเหมือนกันเนาะการนี้นหลังจากนั้นแล้วก็วุลิเวนกัสปะก็ลอยบริขารไป น, น้องชายทั้งสองคือนัทีกัสปะและขยากัสปะก็เห็นที่ลอยมาตามลาดับก็ต่างคนก็นึกว่าพี่ชายคงจะได้รับอันตรายนะก็รีบเดินทางมา ปรากฏว่ากลุ่มอาชีดินของพี่ชายก็บวชหมดแล้วนะเพราะนั้นทั้งหมดก็เลยบวชตามไปด้วยนะก็เลยตอนนี้ก็เลยได้พระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะมีลูกศิษย์ถึง 1,000 กับ3ารูปติดตามไปนะแต่ตอนนั้นทั้งหมดก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันนะเป็นการฟังธรรมในเบื้องต้นนะตอมาเมื่อเดินทางไปถึงขยาศีสะแล้วเนี่ย พระเจ้าก็เลยทรงแสดงอาทิตตะปริยัจยสูตรนะให้กับกลุ่มชาดินทั้งหมดฟังนะคือกลุ่มชาดินนี่กลุ่มอดีตชาดินตอนนี้บวชเปพระนั่นะก็คืออดีตชาดินแล้วเนี่ยเมื่อก่อนท่านบูชาไฟมาก่อนนะก็ชอบใจในเรื่องไฟในเรื่องความร้อนอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เผาผลาญกิเลสต่างๆเหล่านี้นะ พระเจ้าได้ทรงแสดงอาธิษตะปริยายสุบอกว่ า, าสิ่งที่เป็นความร้อนคืออะไรนะความร้อนนั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะที่กระทบรูปรดกลิ่นเสียงผนัส พ, พะธรรมรมต่างๆนะก็คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิล้นระูปรดกายกระทบเย็นร้อนหอนแข็งใจนึกคิดไปต่างๆนี่แหละ อันนี้แหละคือความร้อนนะร้อนเพราะอะไรร้อนก็คือร้อนเพราะราคคิโทสะขีโมหคิร้อนด้วยราคะคือความพอใจความติดใจหรือความโลภร้อนเพราะโทสะคือความไม่พอใจความขัดเคืองใจความค่องขัดความพยาบาท ความโกรธต่างๆเหล่านี้เป็นความร้อนนะร้อนเพราะโมหะก็คือความไม่รู้ความหลงทั้งหลายนี่แหละคือความร้อนนะอันนี้คือความร้อนที่แท้จริงในกายและใจเรานะไม่ใช่เกิดจากไฟแต่อย่างใดนะทรงแสดงอาทิตตะปริยยสูตรในเรื่องตาหูจมลิ้นกายใจนี่แหละมันเป็นต้นเหตุที่จะนำให้ใจที่จะ ปุงแต่งตามมาเมื่อกระทบรูปหูได้ยินเสียงต่างๆเป็นต้นให้เกิดราคะโทสะโมหะตามมาเพราะฉะนั้นการจะดับนั้นไม่ได้ไม่ได้ไปดับที่ไฟข้างนอกแต่ให้มาดับไฟในใจนไฟที่มันร้อนด้วยราคะโทสะโมหานี่แหละเมื่อสามารถดับได้แล้วนะกิเลสก็จะหมดสิ้นไปแล้วก็จะเป็นรูปเป็นพลาหันน ะ, นะคราวนี้อดีตชาดินก็มีความรู้ในเรื่องไฟอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าสามารถเทศให้ตรงจุดที่เขาสนใจได้เพราะฉะนั้นก็เลยน้อมจิตตามไปนะเมื่อน้อมจิตตามไปจิตก็ะละจากราคะโทสะโมหะได้ก็บรรลุเป็นพระหันทั้งหมดเนาะหลังนั้นพระพุทธเจ้าก็พาเดินทางไปเผยแพร่ธรรมที่กรุงราชคื อ, อจนสามารถประดิษฐานธรรมได้ยิ่งใหญ่ที่กรุงราชคือต่อมานะ ตรงนี้ก็เป็นหลักธรรมที่สําคัญที่พระเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ในตรงนี้นะเพราะว่าคนเรานะจริงๆถ้าไม่รู้ในข้อนี้เราก็จะไปปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่จะหนีพ้นนะแม้แต่พวกเราก็หนีไม่พ้ น, นเพราะว่าตาเราก็เห็นรูปนะหูก็ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายก็สัมผัสเย็นร้อนนันแข็งใจก็นึกคิดอยู่ตลอดเวลานั่นแหล ะ, ะแต่ว่าพวกเรานะก็ ไ ม, ไม่ไม่เคยเข้าใจเลยว่านี่มันเป็นหนทางนำมาซึ่งไฟนะไฟที่มันนําเข้ามาตรงเนี้ยเราสามารถสังเกตได้ไหมนะมันไม่ได้เป็นไฟที่เป็นความร้อนที่ว่าให้เราแผดเผาจิตเรานะแต่เป็นสภาวะหนึ่งที่เป็นความปรุงแต่งนะให้เราเข้าไปมีความโลภความโกรธความหลงในสิ่งที่เรากระทบนั่นเองนะนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปเดินเที่ยวนะตามห้างสรรพสินค้านี่แหละ นะเราก็จริงๆเราก็เหมือนกับเราไปเดินเที่ยวเฉยๆนะนะแต่ถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเห็นสินค้าบางอย่างนะนะเดี๋ยวนี้การจัดห้างนี่เขาก็สามารถให้เราไปจับต้องได้นะไปดนะูพอไปดูแล้วก็เกิดความพอใจขึ้นมานะโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะไรเลยนะแต่ว่ามันเกิดความพอใจขึ้นมานะมันยินดีในตรงนั้นนั่นแหละคือความร้อนแล้วนะความร้อนคือไฟคือราคา คือความอยากได้นี่เราเห็นไหมใช่หนมนะครั้นี้นะคนที่ไม่เคยฝึกส ต, ติมาก่อนนะก็จะเป็นไปตามอารมณ์นะคืออยากได้ก็ซื้อเลยซื้อมาโดยที่ไม่เห็นว่ามันจำเป็นหรือไม่จาเป็นแต่ซื้อเพราะความอยากนะทั้งทั้งเดียจะมีของอยู่เยอะแยะแล้วนะก็ซื้อมานะแต่ผู้ที่ฝึกตัวมาแล้วนะก็ก็นะสามารถที่จะมีการ ช่างใจมีการไต่ตองนะว่าเออมันสมควรจะซื้อไหมถ้าของนี้มันมีความจำเป็นก็สามารถซื้อได้นะแต่สามารถซื้อก็ซื้อซื้อได้ด้วยความที่เรกว่าเราเข้าใจนะในความอยากนั้นเราเห็นความอยากนั้นแล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องซื้อด้วยความจำเป็นเพราะว่ามันมีความจำเป็นต้องใช้นะอันนี้ถือว่ามีสติในการซื้อนะแต่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ได้เข้ามาถึงตรงนี้กันนะไม่เห็นความอยาก ที่เกิดขึ้นทางตาแล้วก็ซื้อมาด้วยใจนะด้วยใจที่อยากได้ด้วยราคาอันนี้เขาเรียกว่าซื้อด้วยกิเลสนะนี่แหละคือความร้อนที่มาปรุงแต่งในใจเรานะเราก็ไม่เห็นมันใช่ไหมตรงนี้นะเฉพาะเรื่องการซื้อของนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะแต่ทุกวันนี้จริงๆแล้วเนะี่ยมันมีปัญหาจากการมองเห็นเนี่ยเยอะมากเยอะมากเลยนะผู้ชายเห็นผู้หญิงนะที่สวยนะก็เกิดความชอบใจ นะก็พยายามติดตามต่างๆนะบางทีทําให้ตัวเองก็มีภรรยาอยู่แล้วนะนะนะก็พยายามไปปรุงแต่งไปสารนะความสัมพันธนะ์จากราคาที่เกิดขึ้นนะ่ยไม่เห็นนะก็กลายเป็นมีกิก๊กมีอะไรไปนะผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะนะเห็นผู้ชายที่นะชอบใจก็ไปปรุงแต่งนะจนกลายเป็นมีกิ๊กไปนะหรือบางทีก็เห็นคนหนึ่งก็มีมือถือนะ ออกรุ่นใหม่มาอยากได้นะตัวเองก็มีอยู่แล้วอยากได้ก็ไปดิน้นรนะเด็กสมัยนี้นะบางทีพอไม่ได้จริงๆก็ไปหาทางขโมยของมาขายนะเพื่อจะไปซื้อมือถือนะหรือบางทีเด็กผู้หญิงนี่ยิ่งเดืนอนนี้ง่ายกว่านั้นนะบางคนก็เลยไปขายตัวก็มีนะไปซื้อเนี่ยเพื่ออยากจะทันสมัยที่จะเท่าทัานเพื่อนนะหรือบางคนก็ไป ขายยาเสพติดต่างๆไปเลยนะฮะนี่เป็นเรื่องที่เรียกว่ารู้ไม่เท่าทันกี่เลนในใจนะมันเลยทาให้เกิดความผิดขึ้นมาแล้วก็เสียอนาคตไปต้องเข้าคุกเข้าตารางนะอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นความร้อนจริงๆเลยทนะั้มันมองไม่เห็นในตรงนั้นกันนะหูหูก็เหมือนกันนะหูถ้าเราฟังให้ดีนะนะมันก็ไม่เกิดความร้อนหรอกแต่ถ้าเราฟังไม่ดีมันก็จะเกิดความร้อนในใจเราตลอดเวลานะอ่นะ คำดา่าคำทอคำนินทาทั้งหลายถึงแม้ว่าเราไม่ได้ยินในขณะนั้นแต่เมื่อมีใครมาเล่าให้เราฟังถึงมาเหตุการณ์จะผ่านมาแล้วใจก็เราร้อนใจเราร้อนด้วยโทสะเห็นหใจมันเล่าร้อนด้วยโทสะแล้วก็ไปปรุงแต่งต่ อ, อเกิดความเกลียดความโกรธความพยาบาทความอาฆาตในหลักมั น, เ ป, นเป็นความร้อ น, นเรารู้เท่าทันไหมหูได้ยินเสียงที่ไพเรา ะ, ะที่สน่โ์สด เกิดความยินดีพอใจเนาะนั่นแหละก็คือความร้อนนะความร้อนพระเราไปติดใจเราอยากจะฟังอีกอยากก็ได้อีกเนกะิดความยึดติดในตรงนั้นนะนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความร้อนแล้วแต่เรารู้เท่าทันไหมการยึดติดทุกอย่างนะมันก็คือความร้อนทั้งนั้นนะจมูกได้กลิ่นรู้รู้รูกายกระทบเย็นร้อนแข็งหรือใจนึกคิดไปสิ่งต่างก็เป็นความร้อนเท่านั้นนะ ตอนตรงนี้จึงต้องรู้เท่าทันให้ไวนะอครา้นี้อย่างการทํางานของอธรรมะเป็นอย่างไรนะอย่างเช่นตาเห็นรูปเนี่ยการที่อาอยตนะภายในคือตาไปเห็นรูปภายนอกเนี่ยนะมันก็จะส่งเข้ามาเป็นความรับรู้ในใจ <S <S <ๆ>เขาเรียกว่าจักขู่วิญญาณวิญญาณก็คือการรับรู้นะตาหูจมลิ้นกายใจมันจะมีวิญญาณอยู่นะเขาเรียกว่าในขันห้าเนี่ยมันมีรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกายนะคือเป็นการแยกองค์ประกอบในใจของเราเนี่ยให้เห็นนะชัดๆว่ามีอยู่4อย่างนะคือนามแล้วนะก็มีเวทนานะเวทนาะคือความสุขความทุกข์แล้วก็เฉยๆนะเมื่อตากระทบรูปแล้วต้องเกิด3อย่างก็คือนะมีความพอใจมีความไม่พอใจหรือเฉยๆนะมันจะมีสัญญาตา ม, มานะสัญญา คือการจําได้หม่รู้ซึ่งมันจะทํางานเร็วมากนะเราเห็นปุ๊บเราจะรู้เลยว่านี่เป็นญาติเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาโดยที่เราไม่ต้องนึกเลยเพราะสัญญามาทํางานไวมากนะแต่บางที่เราเห็นเพื่อนเราจะจําไม่ได้นะไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเขาคือเพื่อนเราะแต่ถ้าเราทบทวนไปสัญญาเก่าก็จะเริ่มกลับมาาเออเขาชื่อนี้ชื่อนี้นะต่อมาก็เป็นสังขารนะก็คือ ความคิดที่ไปปรุงแต่งเนาะมันไม่ใช่เป็นความคิดอย่างเดียวแต่เป็นความคิดแล้วไปปรุงแต่งต่อจากการที่เรามีการรับรู้ในวิญญาณซึ่งจะเกิดขึ้นก็เดี๋ยวจะเล่าต่อไปเนาะมันเป็นการทำงานที่ไวมากนะมันจะดึงสัญญาออกเก่าๆามาเป็นความที่เรียกว่าถ้าเราเห็นหน้าเพื่อนที่เรารักแล้วคือมันเห็นด้วยวิญญาณก็คื อ, อาจากูวิญญาณนี่แหละพอรับรู้แล้ว มันจะไปกระชากสัญญากับเก่าว่าไอ้คนนี้เป็นเพื่อนที่เราเกลียดนะเวทนาก็จะเกิดขึ้นมาทันทีไปปรุงแต่งต่อนะว่าเราเกลียดมันนะไม่อยากจะเจอมันนะต้องเดินหลบมันให้ได้นะ น, ะนี่มันจะทำงานไวมากนะคือสังขารจะปรุงแต่งต่อในตรงนี้ทุกๆอย่างแล้วก็สังขารนี่ก็เป็นตัวเหตุนะที่จะนำให้เราไปเกิดใหม่อย่างแน่นอนนะเพราะการปรุงแต่งต่อนั้ น, นมันก็เป็นเวทนา แล้วมันก็เป็นตันหาคือความทยานอยากนะแล้วมันก็เป็นอุปทานคือความไปยึดติดในตรงนั้นนะการยึดติดอุปทานก็เป็นเหตุให้เกิดภพเกิดชาติเกิดชรลามรณะตามมานะเพราะนั้นเราจะไปหลีกเลี่ยงการเห็นก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงเนะวทนาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะหลีกเลี่ยงสัญญาก็ไม่ได้แต่สังขารเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ว่าเออเมื่อกระทบแล้วการปรุงแต่งนั้นเราสามารถที่จะอ่านะ หยุดได้ไหมนะเพราะการปรุงแต่งนั่นแหะมันเป็นตัญหานะมันคือไฟนะมันก็คือไฟนั่นเองนะครั้นี้วิญญาณก็คือการเห็นรูปนี่แหละนะเห็นเห็นรูปจากครูวิญญาณที่ทํางานในขณะนั้นนะก็เรียกว่าวิญญาณเกิดขึ้นทางตานะวิญญาณมันก็จะไปดึงตัวรู้นันะ่นอ่ะ ไปประกอบที่ใจนะแล้วก็ปรุงแต่งอย่างรวดเร็วนะให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารตามมาด้วยกระบวนการทำงานที่ว่องไวนะเพราะนั้นวิญญาณก็คือทั้งหกนี่แหละคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะมีวิญญาณที่จะรับรู้อยู่นะแต่ถ้าวิญญาณไม่ทำงานมันก็จะไม่เกิดการรับรู้นะบางทีเราก็ลืมตาอยู่นี่แหละแต่ขณะนั้นอาจจะกาลังพูดโทรศัพท์มือถืออยู่นะ บางทีคนเดินผ่านหน้าไปก็ยังไม่รู้ว่าใครเดินผ่านหน้าไปผู้ชายผู้หญิงยังไม่รู้เลยแต่ก็มองอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ไปสนใจน ะ, ะตรงนี้จากขูวิญญาณ <Alles. S 1> ก็ไม่ได้ทำงานนะหรือบางคนนะนอนนอนหลับก็มีนะนอนหลับแล้วบางคนก็ลืมตาก็มีนะตรงนั้นนะมันการลืมตาก็จริงแต่ว่ามันไม่เกิดการรับรู้ขึ้นมานะอันนี้ก็เรียกว่าวิญญาณจากขู่วิญญาณกญญา็ไม่ได้ทางานนะ เพราะการทำงานก็คือตาที่เห็นรูปแล้วเนี่ยใจต้องมีการรับรู้ด้วยนะถ้าใจไม่รับรู้มันก็มันก็จะไม่เกิดเวทนาสัญญาสังขารตามมาน ะ, ะบางทนีนั่งอยู่นะจะได้ยินเสียงรถโฆษณามาเรื่อยเื่อนะบางทีเราไปรับรู้เข้ามามันน่าลำคาญนะรถโฆษณาอะไรน่าลำคาญจังนะแต่ถ้าเรากำลังทำอย่างอื่นอยู่น ะ, ะกลังอ่านหนังสือกาลังพูดคุย นะกำลังสนใจอย่างอื่นอยู่บางทีเสียงรถก็ยังเก่านั่นแหละนะแต่พอเราไม่สนไม่สนใจปุ๊บเสียงนะั้นบางทีภาพยังไม่ได้ยินเลยนะัมันหายไปเลยมันไม่เคยได้ยินนะเพราะว่าโสตวิญญาณมันไม่ได้ทํางานนะหรือทํางานน้อยนะเนะพราะฉะนั้นการที่เราไปสนใจสิ่งต่างนั่นแหละเขาเรียกว่าวิญญาณในตรงนั้นมันทางานแล้วนะนะเราจรึงต้องสังเกตให้ดีนะว่าเรา ไปให้ค่ากับสิ่งใดนะมันจะไม่ทํางานในตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นนะบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นในในใจเรานะมันจะมีปรากฏขึ้นมาคือตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเนี่ยมันจะมาปรากฏขึ้นที่ทใจของเราเท่านั้นเองนะเมื่อใจของเราได้กระทบในสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันจะมาปร ะ, ปร ะ, ปร ะ, ประมวลผลนะเป็นความชอบความชังอ่านะหรือเฉยๆนะปุงแต่งต่อไปเรื่อยๆนะ เพราะนั้นการบัติธรรมก็คือกลับมารู้ที่ใจเรานั่นเองนะมันจะเหมือนกับที่ท่านโพธิละนะที่ว่ า, า ม, มีตะกวดอยู่นะอยู่ในรูหกรูนี่แหละจะจับตะกวดได้อย่างไรนะก็คือปิดอีก5้รูแล้วก็คอยดักจับอีกรูหนึ่งนะพอตะกวดมันต้องขึ้นมาลูนั้นแน่นอนก็จะจับได้นะก็คือรูหกรูนั่นเองนะก็คือตาหูจมูลิ้นกายใจนี่แหละ นะทั้งหมดนี้ก็จะมาออกที่รูเดียวก็คือรูใจเพราะนั้นถ้าเราสามารถสังเกตใจได้ว่าเออเมื่อกระทบแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายต่างๆกระทบแล้วนะเราสามารถที่จะรู้ทันใจในขณะนั้นได้ไหมนะตามดูตามรู้เท่านั้นเองนะไม่ต้องไปทำอะไรกับเขานะนะวิธีการหลวงพเทียนก็คือตามดูตามรู้เ็าเรียกว่ารู้เฉยๆรู้ซื่อๆนะ โดยที่ไม่ต้องไปแทรกแสงสภาวธรรมนะเราจะเห็นสภาวะนั้นมีความเกิดและความดับไปในตัวนะตรงเนี้ถ้าเรากล้าดูกล้ารู้โดยไม่แทรกแซงนะความโกรธเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่ดูเท่านั้นไม่ต้องไปจัดการให้เขาดับไปเราก็จะเห็นความโกรธนั้นในที่สุดเขาก็ดับไปโดยตัวเขาเองนะไม่ใช่ฝีมือเรานะแต่ถ้าเมื่อมีความโกรธขึ้นแล้วเราก็ไปจัดการแทรกแสงให้เขาดับไปนะเราสามารถทําได้นะ มันจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะว่าเราสามารถบังคับบัญชาเขาได้และความตัวเป็นตัวตนก็เป็นอัตตามันก็จะโตขึ้นแต่ถ้าเราสามารถเห็นเราต่อยให้เขาแสดงความเป็นจริงเราก็จะเห็นไตรักษณ์ในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวธรรมเราก็จะเห็นว่าเข้ามาแล้วก็ไปไม่ใช่ตัวไม่ตนออกจากการยึดติดยึดถือในความที่เรียกว่าความเป็นตัวตนนี้เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะมันก็จะเห็นสภาวธรรม ที่มาแล้วก็ไปสภาวะทุกอย่างมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะมันจะเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ดูเฉยๆเท่เทานั้นเองนะเราก็จะเห็นสภาวะทุกอย่างนะมีแต่ความไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นนักตาอ่านะบังคับไม่ได้นะตรงนี้มันก็ติดก็กจะเกิดการปล่อยการวางการมีติดว่าเป็นตุกเป็น ต, ตนของเรานะแต่เมือ่อาเมื่อใดที่เราเริ่มไปจัดการในสิ่งต่างๆนะความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นมาว่าเราไปบังคับเขาได้นะ เราก็สามารถที่จะเห็นได้บ่อยๆนะว่าเราบังคับเขาได้จริงไหมนะความคิดนี่จะให้เขาหยุดคิด5นาทีก็ยังไม่ได้เลยนะยังไม่รู้เลยว่านาทีข้างหน้าจะคิดอะไรนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราบังคับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงทำงานนะโดยตัวของเขาเองนะไม่ใช่เรานะไม่ใช่ตัวเมตตนของเรานะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่นะท่านพุทธะบอกว่าเป็นตาตานะเป็นเช่นนั้นเองเป็นของเขาเอง เมื่อเราเป็นผู้ดูผู้รู้อย่างแท้จริงเราก็จะเห็นการทำงานของการละใจที่กขาปุงแต่งของเขาเองนะเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่างๆของเขาเองนะเกิดความรักความพอใจของเขาเองนะมันจะเป็นกระบวนการทำงานของใจนะไม่ใช่ของของเราเนะพราะใจมันก็ไม่ใช่ของเราตั้งแต่ต้นแล้วนะเราก็มีหน้าที่เพียงรู้ไปตามความเป็นจริงโดยการแค่รู้แค่ดูเท่านั้นนะ อันนี้ในสุดเราก็จะเกิดการะละคายความยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนของเรานี้นะมันก็คือมันไม่ใช่เราโดยที่เราไม่ต้องเปละอัตตาตัวตนแต่อย่างใดนะเป็นการแค่ถอถอนความเข้าใจผิดว่ามันเป็นตัวตนของเราเท่านั้นเองนะตรงนี้ก็ จ, จะ่อนจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะในท้ายสุดนี้ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระตาไตรท่านน้อม น, ำ, นำทุกท่านจะเดินด้วยสีสติ สมาี่ปัญญาละถึงซึ่งความพุทธได้โดยเร็วพันทุกท่านเธอน